เป็นสายขององค์ท่านสายสมยุทธก็มายืนยันสายมหานิกายก็มายืนยันสายหลวงปู่มันก็มายืนยันสายหลวงปู่อื่นก็ไม่ยืนยันสายใดๆก็ไม่ยืนยันทั้งนั้นสายคุปชัยปันโนสายอุชุสายยายะสายยาสามีทัานนั้นเป็นสายพ่ของเราเอสาภคะวัตโตสาวะคะ้ัมโพนี่เนอะสาวกของพระพุทธเจ้าพระเจ้า อาเหนวยโยปโยทักท <Ah, ิงยโยอันชฉลีตะนิอันุตรางคุณยักเตตังโลัสสาติเป็นผู้ควรกราบไหว้เป็นผู้ควรโูช้าเป็นผู้ควรควรรับทักทินาทางเป็นผู้ควรทาอันฉลี่ยทคืกราบไหว้ผู้กราบไหว้ไม่ต้องกระดาษกระดื่งเลิบรนากาลอันุตารางคุณยักเตตังโลัสสาติ เป็นนาบุญของโลกนะไม่ใช่นาบไม่ได้ยืนยันสายัสา ย, ย, สา ย, ยมืหรอยืนงันแต่สายสุขปฏิปยยยนุกุศลยักษามีพูดในข้าวข้าวตัวตัวข้าข้าวกล า, า ง, างพูดเป็นธรรมมาสุขตยนับทั้งหัวดำด้วย นักงหัวดําด้วยสุภเทปนโนพวกพระสวสดิบาลสุภเจปนโนก็มีอยู่เหมือนกันก็นับเข้าเป็นในสาวกทางปรามะไม่ใช่พระสาวกตามพวกยังไงเช่น น, นาวิชาขาเป็นต้นเช่นพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นเช่นพว ก, พวก บ, บ้านนั้นบ้านนั้นนาลันทขามแต่ไม่ให้หลงพระโบสถ ด, ด้วยเพราะเป็นฆราวา ไปจัดเข้าในสงเหมือนกันก็ุูกเจะาพันโน่สงในทางปรมัดสงในทางก็สูตรส่วนสงในทางทางพระเวนยยัยนี่อีกอันนึงสมมตุติที่สงฆ์พุทธชนก็จัดว่าสงเหมือนกันสงในพระเวนยพุทธชนที่ยังมาถึงพระสวัสดาวันก็จัดเป็นสงเหมือนกันแต่มาได้เป็นปลายซีสงการทาี่เสดก็ที่เป็นสางการทเสกปรจัดว่าสงสมมุติเหมือนกัน เพราะจังยังรักษาอยู่ไม่ใช่สงในพระสูตรไม่ใช่สงในพระประมาติสงในพระวินัยก็พอายามไม่ได้สุจพระเน้ฉนฉไหนในข้างพุทธการจึนมีวัดปาิโมกยอ่อไล่ผีก็น่าสันนิษฐานว่าพระองค์เทผี มาเสียงนั้นคงเป็นพระยังมาถึงพระสวสดาบันถ้าถึงพระสวสดาบันแล้วผีที่ไหนจะมาสียงได้คงเป็นพระที่พุทธชฌคนหนาอยู่มีเท่านั้นจึงสวดปาทิโมกย์ย่อไร้ผี ซื้อเล่มโตมาให้หายเล่มไปเนีเ่เอาเอาเล่มเี็กด้วยนะเนาะเล่มเี็กที่มีต้นดอกบวัวนภาวนาอันไหนดีบทพุโทโธในพระสวัสดีวันพุโทโธในสักคาคาร์ พุทโธในอนาคามีพระอรห ogue, ันต์ภาวนาพุทโธพระสวสดาบันภาวนาพุทโธพระสัจทาคามีภาวนาพุทโธพระอนาคามีภาวนาพุทโธพระอรหันต์ภาวนาพุทโธพระประเจดีภาวนาพุทโธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาวนาพุทโธพุทโธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าญาติคายกว่าเพื่อนพุทโธพระพระเจด เป็นที่สองพุทโธสาวกเป็นที่สามพุทโธสาวิกาเป็นที่สี่พุทโธพระสะัตระอาลหันพุทโธพระสักนาคาเมียด้วยนับตั้งเพศหญิงเพชายด้วยพุทโธพระสักทาคามีนับตั้งเพศหญิงเพศชายด้วย พุทโธพระสวาสาวันนับทั้งเพศหญิงเพศชายด้วยที่เป็นพระสวาสวันก็มีพุทโธยิ่งกว่ากันกีก็มันแยบคลายกว่ากันพระนรียนพุทโธจบพระลานฝ่ายสาวกพระสมมาพระพุทธเจ้าฝ่ายที่ปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าเรียนพุทโธจบอีกเหมือนกันพุทธทางปูนสามห้า้าห้ า, ห า, หาเดือน เอาโอ้ยอมได้หนึ่งพอไหมพอให้คนนั้น กายเมืทีพระธรรมขันต์ก็รวมลงในพุทโธแล้ครับพุทโธก็แปลว่ารู้ธโมก็แปลว่าสรงมัยซึ่งผูรู้สังโกก็แปลว่าปฏิบัติผู้รู้แต่พผู้รู้ในพุทโธธรรมสังโกมียี่ยงดุลกว่ากันผู้รู้ในพุทโธธรรมสังโกพุทโธธโมสังโกที่เป็นโลกีก็มีตีความหมายแตปบ้างแบบนึงเช่นพุทโธธรรมสังโกที่เป็นโลกีก็ามหมายพุทโธเลีพุทโธผาไว้ก็มี พุโทโที่เป็นโลกุตระก็นับแต่พุโทโธก็ะสวัสดิวันไปเรียนพุโทโธจบก็คือพระรหัมม์สาวกสาวิกาเรียนพุโทโธจบแล้วธโมเขียนจบแล้วสังโฆเขียนจบแล้วอยู่ในตัวทําไมถึงบริกรรมพุโทโธธโมอยู่ที่ไหนทําไมไม่บริกรรมไม่ลําเอียงหรอกหือไม่ลําเอียงเพราะบริกรรมอักอรยอ่อ เมื่อพระเจ้าพุทโธธรรมโอสังโฆก็ถูกอยู่ในตัวเมื่อจําหนังเมื่อเอ็นกระดูกก็ถูกอยู่ในตัวเป็นเพียงว่าอักษรย่อยเฉยๆกไม่ต้องการว่าหลายคําถ้าคําว่าอาแต่พุทโธพอเนี่ยครับก็เป็นอักษรย่อถ้าว่าธรรมโอก็แล้วพุทโธก็แรียกสังโฆอยู่เหมือนกันถ้าว่าสังโฆก็ธรรมโมก็พุทโธก็อยู่ที่นั้นแต่เราอักษรย่อมักเข้าว่าพุทโธ ถ้าก็เห็นหน้าก็เห็นตาเห็นจมูกกันนั่นเอ ง, เองแต่เราพูดจะยอ่ออ่าเคยเห็นหน้ากันอยู่ทัานไหนก็ดีเราก็พูดจะย่ออ่าพุทโธไอ้ที่แค่ก็ปเป็นเชือกสามเสี้ยวรวมกันอยู่ที่หน้านจับอันนึงก็ถูกอันหนึ่งจับนั้นก็ถูกเมื่อถูกประดูกเหมือนกันนไม่สงสยัยเราจะว่าทั้งพุโทโธธรรมโมสังโธเราก็ไม่สงสยัยเราจะว่าแต่พุทโธอันเดียวเราก็ไม่สงสยัยถ้าเรารู้ชัด เอาจากว่าสัมมาอรหังเราก็ไม่สงสัยเราจะว่าพุทโธเฉยๆเราก็ไม่สงสัยเราจะว่านามะพัทธะเฉยๆเราก็ไม่สงสัยนามะพะคธะก็แปลว่าพระเจ้าห้าพระองค์พระเจ้าห้าพระองค์ว่าพูดถึงพวกพระเจ้าก็มีพระธรรมมีพระอริยสงฆ์อยู่ในนั้นด้วยนั่นอันเดียวกันน้โมตัวเดียวก็ข้อแปดหมื่นสีพระธรรมสังนอบนอมให้ทานรักษาชิ้นพอรอบนอบมรคนิพาน นอกๆพระสวัสดิบาลพระคตาคามีอนาคามีพระหนังนอกๆจนไปมามีกิเลสพระหลังก็เรียนน้โมจบเหมือนกันน้โมพระสวัสดิบาลเป็นน้โมที่ไม่หลงทางหน้โมพระคตาคามีละเอียดไปกว่านั้นหน้าโมพระอนาคามีเป็น น, al, น้โมที right? ่ไม so right <te le noise>. ่มีมีโรคเรีโกรดน้โมพระรหลังแปลว่าไม่มีหลงหลงอันละเอียดหายไปแล้วหน้โมตัวเดียวก็ส่งต่อถึงพระนิพพานได้เหมือนกันพุทธทางตัวเดียวก็เหมือนกันพุทธทางสนธนข้าฉาม ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสาระก็ถึงพระธรรมถึงพระอริยสงฆ์อยู่ในตัวมั่งกันพระรหัเรียนไตรสนาคมจบไตรสนาคมของพระสวัสดิบานเป็นไตรสนาคมเมื่อต้นของพุทธศาสนาผู้เรียนจบก็คือพระรหัสร์ มันขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละคนปัญญายะบริสุทธิ์ติบุคคลจะบริสุทธิ์เพราะปัญญาปัญญาโลกระทำอปัทโทโ ต, โตแสงสว่างเสมอแต่ปัญญาไม่มีแสงฟาทิตยังมีที่ยบางที่เหวที่หุวยที่ถําที่มืดสว่วนแสงปัญญาทะลุหมดไม่มีทิพเล็กบาง ที่เห็นอา น, นิจังคณะคิดเดียวก็เห็นโลกแล้วทะลุหมดทะโลกกันไปด้วยอา น, นิจังโลกรวมลง ม, ม, มาในสังขารโลกมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอย่างนี้เทวโลกได้แก่สามาภิาติหกชั้นพรห ม, มโลกได้แก่รูปปฐมที่หกชัน้นและกับรูปปฐมสี่ชั้นโลกทั้งหลายเหล่านี้รวมลง ม, มาในสังขารโลกสังขารโลกแบ่งออกเป็นสอง อุ ป, ปาทิานกะสังขารสังขารที่มีใจฟองอานุปาทินกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจ่อมีลูกขันนำขันเป็นต้นลูกภายนอกลูกภายในขันภายนอกขันภายภายในลูกขันนาำขันก็รวมลงไปเป็นขันห้าถ้าย่นลูกขันนำขันลงก็เป็นสองด้นขันห้าลงเป็นสองลูกเอาไว้ตามรูกตามเดิมเคยดิ่น้าเคยลงมาถึงกันเป็นกายเจ้าว่าลูกไม่ไว้ตามเดิม เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามวิญญาณกับใจมีความหมายอันเดียวกันใจกับมโนก็มีความหมายอันเดียวกันใจกับมนัษก็มีความหมายอันเดียวกันจิตกับใจก็มีความหมายอันเดียวกันคําว่าจิตเป็นคําบาลีคําว่าใจเป็นคําไทยที่แปลออกมาแล้วคําว่าวิญญาณก็แทนใช้แทนใจเหมือนกันถึงแล้วนี่เป็นนามขังขารเกิดดับเป็น รูปขันนามขันหรือใต้อำนาจอนิจังทขาขังอนัตตาเกิดขึ้นแต่หัวันแฝ่ตาเหตุฉะนั้นเจ้ามายาจะรูปจิตเจนสตินิพพานรูปจิตรูปจิตนินิพพานรุปแปลว่ารูปจิตแปลว่าจิต โอเคเลว่ า, าเจตสิกนี่ปลว่านิ่ผาอภรณ์รูปจิตเจตสิกคือผาเมื่อเรียนรู้ว่าจิตเป็นพรนเนรผาจ็บถ้าทาถูกเป็นท่น า, านราทำถูกเปานพระรผาถ้าทาผิดก็ไปทางลงสู่นรกเข้ามาเสียงผาทิพย์าทิเข้าม า, เ, า, าเขาา้เขามาอีก พ, พุทโธพุทโธตาขาพุทโธไปเกิดพุมโโมโลกอยาก่อางต่ำไ อ, อ้หนังสือเราแล่สี่สิบสามเล่มที่สี่สิบสามใช่ไหม ตอนที่ท่านกล่าวว่าพระเนี่ยนก็ต้องใส่พระภายในของเราที่บอกว่เราไม่ได้ของเราเพราะว่าพระเนต้องภายในอมาาาเอาพระาอกไปเนัวเหี้ยเหมือนาก็คควาอะไร ก็อ่านแล้วก็ปถูกใจมตรงกับจิตใจที่อาจจะถูกก็บกเลียใช่ไหมัตงอนตรงกับจิตใจออเพระจิตใจมันตใจเอาแขวนไว้เฮี้ยงหี้ยงเก็บเหียงใจเลยนึกได้แล้ได้ก็ดีเอทุนถวายสกลละกายวาจใจใจให้เป็นข้าบร็นชาติแล้วพุทธประธรรมประสงค์ให้พุทธประธรรมประสงค์เกี่ยวรถเดี่ยวรถเดียบย่ำโฉนดน้ำลายชาในโมกใส่พกนี่ประมาณ ว่าคนทุกข์งว่าตาสงสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาตินี่คือปัจจุบันในชาติเคือปัจจุบันในจิตปัจจุบันนธรรมเราดีๆนี่เองเอาลงล่นเลยไม่ต้องเอาแฝวนคอถ้าเรามัใช้โพใช้กระบือโพกระบื้องเขาออกโพเอาคิดไรคอเอากระโหลกกระเล็บอะไรเขาเรียกกันตามภาษาบรรณานันกระดิ่งหรืออะไรเขาก็เรียกกระโหลกเขาก็เรียกโอเขาก็เรียกคิดเขาก็เรียก ภาษาไทยไม่เคยมีโคมีกระบือไม่เคยเรื่องโกมีกระบือเ พ, พื่อภาษากลางไม่รู้จักหรอ ก, กแต่พวกอีสา น, นมันรู้จักเคยได้ยินแต่กระดิ่งกันนะอภาษาปากางขอฉิกอย่างนี้มันเคยได้ยินละถ้าเห็นตัวมันนี่เขาเรียกว่าขอนี่เขาเรียกว่าวขีกมันฉังจะรู้ส่วนกระดิ่งคงเคยได้ยินอยู่นื้อลุกครวญ เรียกือนกันพักกา อ, อเราจะไปเขวนหนไอยทีนี้เวลาเราดื่มแล้วเราก็เอาข้ามหม้อพักเลยนมันก็ไม่ถูกเวลาลืมไปตปะกอดคอมเนียก็เอาผ้าตะปอดด้วยถูกไหม <c oughs> นั่นเวลาเราลืมปลดออกแล้ว <c oughs> มันบ้า เราแข็งจิตแข็ใจเลยอธิษฐานเลยอธิษฐานปาลามักสระปาลเ ม, ลมสัมปรรมันโนสัจจะปาลเมสัมปรรมันโนตั้งฝาดไว้ที่หัวใจเลยอืมเอาหัวใจลงเก้าเอี้ให้พระพุระธรรมประสงค์เสียรถเดียวรถเสีเดียวเลยสมมุติอย่างนั้นแล้วก็หมดปัญหาเลี่อ้าวเป่าหัวให้บ้าหลวงปู่ลลลหลวงพ่อหลวงตาหลวงหูเป่าหัวเป่าหัวให้ลงถึงใจเป่าคิดเป่าใจให้ถึงพระพุทธธรรมประสงค์ ไม่ใช่กระเป๋าให้มันแข็งลดน้ำมันให้ด้วยลดหัวลดหัวให้ประตูกบใจเนอะสมมติเอาหัวหัวภายนอกแล้วหัวภายในก็คือหัวใจเอาน้ำมันเป็นพยานเจ๋อเจ๋อยดใจของข้าพเจ้าถึงพระพุทธธรรมพระสงเหมือนน้ามัน์นี่ยเนอะให้นึกอย่างนั้นถ้านึกอย่างนั้นทำไมเป็นเสยยาสาถ้าถือว่าน้ำมันเป็นของแข็งจริงๆก็เป็นเสยยาสาการน้ํามันถือว่าลดเตือน ให้ใจิตใจเราเารื่อมใสศรัทธาให้ใจิตใจเขาเพราะของเราละเอียดเหมือนลนมนุนนี่ถึงพระพุทธธรรมผสมคือ น, นิมนต์จิตนิมนต์ใจของเราถึงพระพุทธธรรมผสมมาอธิบายให้เขาฟังช่ถ้าเราไม่อธิบายให้เขาฟังมันก็จะเป็นเสยศาศาศียสาวทีม่มันมันเป็เสยศาสตาวก็แค่ข้าว ก, บ, า ก, บ, ากบว่าเราหับไปหาจนหิ น, นั่งยวนละมุนเรื่องลนะมนุนเพราะเระมามศาสดาไม่ได้ทัดข้อแต่เว้ แต่ทาให้เขาลดควมามเมตตาถอแต่อธิบายเขาฟัางอยให้เขาติดอยู่เพียงแค่น้มันอาวังฝเข้าค่ายาเขาถักแก้วถ้านันแก้วถ้าเน่ขำถ้านั่นขำถ้าเ น, น, า น, น, น, าน่อย่าไปว่าพิษสุเป็นน้อยยาระมันกันพิษสุเป็นานาบาดเบอร์เขาพิษสุซัมมานีช่วยเขารักษาที่ห้าไอีวาไม่ได้เาเป็นทางชิ้นาถูกโตเป็นปฏิบัติกับพระพุทธศาสนา เรียกเพราะว่าปฏิบัติือเอาใบยมุขทุกประเภทเป็นประตูปา ก, กพระพุทธศาสนาถ้าส่งเสริมให้ญาติโยมเป็นผู้ร่วมละเมิดมันก็ค่าๆกับว่าพระเทวทัพนั่นเองนะครับพุธาาทธประหารธรรมประหารชั้นฆาปหา ร, าหารเรียกมหาภักหาเสียงต่อสู้พระพุทธศาสนาอยู่ในตัวเราจะรู้ตัวว่าต่อสู้แล้วไม่ต่อสู้ก็ตามมันก็ผิดอยู่ในตัว น, นี่เป็นธรรมอันแท้ของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นการบ้านเป็นการมือเป็นการพมรโรคเจวโรโรตลอดทกเป็นการพ ร, ร, ร, ร, ระพุทธศาสาครั้งนี้นาคราชนี้นารคารคาชนี้พระพุทธศาสนาคําสอนของพระพุทธศาสนาแต่ละบทละบาเป็นคำสอนโลกุตระเพราะงั้นแต่เมื่อจิตของเราเป็นโลกี แล้วปดึงคำสอนของพระองค์มาอยู่ในระดับตัวของเรานักขัตถานเช่นฟังเทศกันเดียวกันบางท่านก็สำเร็จอาหารบางท่านก็สวดดาวันบางท่านก็จักทานอยู่บางท า, งกท า, งานก็อนาทานอยบางท่านก็ลงสู่นรกพรานอนไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เหมือนกันไอ้ที่แค้คําสอนแต่ละบทระบาทของขุตษาศาสนาอย่างตางก็ถึงโลกุตระสวดดาวันเป็นต้นไป ที่มีโลกียะวิสโลกีวิในโลกีศีลโลกีสมาธิโลกีปัญญาก็อพ่ะเอาศาสตราอื่นมาปฎเปรีพระพุทธศาสนามันจึงเป็นของเลือกยากยิ่งมุดก็มันกันก้ะทางไารมุดยิ่งคำธนามุดสุเฉื้อไทรมุดปฏิบัติจักที่มุดนิสรณะวามุดเหล่านี้ ข้อเบงต้นเป็นโลกีสามข้อบืงปลายเป็นโลคุตระไม่ะก็พระไปเอาวิมุติของศาสตราอื่นมาปนไปกับวิมุติของพระพุทธศาสนาทีนี้ปทมอาจของพระโสดาวันปทมอาจของพุทธชนพรรณาปทมอาจของพวกมือสีปทมอาจของพวกนอกพระพุทธศรราสนา มันมีคุณค่าต่างกันอย่างไรว่าก็มีคุณค่าต่างกันพถประสมชางของระสมดาวันผสมดาวันจะสรุปว่าประสมเป็นสาระพวกนั้นมาดถึงพระพุทธประธรรมผสมเป็นสาระเวลาเราบดอุตส่าดาวบทเรามาบทมาถึงพระพุทธประธรรมผสมเป็นสาณะจะเข้าถึงชานในวัธยานานัชญาญาตาก็าำแต่ก็เป็นโลกีชานอยู่นั้นเองนั่นอันญังชัดทุเทพเพราะถือศาสตร์ศาสตร์นัตถิ อนิยัตวทุเทศถือศาสาอื่นลัทธิอื่นเป็นเครื่องขีดขวางของโลกุตละเหมืนกันเป็นเครื่องขีดขวางของพระโสดาบันใช้ฌาพิธานาณิอภัโภคาตุมอิทําติสนเทระปนังปัญจเตวีนัสเตวีสุติโมตุพระโสดาบันไม่ถืออภิฐานโทษอย่างหนักหนมาตุฆาฆามนาพิุฆาฆาบิดาอรหัตฆาฆาปรานโลหิตทบ ตัวบาททำลายพระพุทธเจ้าที่ยังเป็นโลในแทหอกขึ้นไปทั้งประเภทยังทั้งแก่จากกันอันนี้ทัดพุทธเทพซือศาสดาอื่นพระโสดาวันไม่ถือศาสตราอื่นนอกจากพูดไปไม่ถือเรื่องดีงามดีด้วยอะบายยังมุทุกประเภทไม่เื่อดายอยากลวงละเมิดสินห้าก็ไม่เชื่อดายอยากล่วงละเมิดเอย อ, อ, อ, อเราถ้าเราจะละเมิดสินห้าก็เก่งว่าจะพิชิตพระโสดาวันไม่ได้ไว่าอย่างนั้น ไม่เสียดายอยากกวงน้ำมือตัวเพราะถือว่าเป็นทางชิบหายโดยทางเดียวไม่เสียดายอยาก่าขายมนุษย์ฆ่าขายเครื่องประหาค่าขายมนุษย์ฆ่าขายสัตว์เป็นอะไเนื้อสัตว์ที่ต่อค่าเพเป็นอาหารฆ่าขายน้ำมอค่าขายยาพิษการค่าขายหอยนี่ในในพระโสดาวันไม่ใช่ได้อยกทาเลยไม่เสียดายอยากสกปรกยุชั่วพระโสดาวันพระโสดาวันมีโปรดอยู่มั่นกันได้ไม่ผูกเอง อ่าฆาจองเวรผูกใจเก็บไม่มีในพระโสดาบันมึงเถอะกูไม่ได้มึงเหลี่ยมนะั้นกูจะเอามึงเหลี่ยมนี้กูไม่ได้มึงเหลี่ยมนี้กูจะเอามึงเหลี่ยมนั้นไม่มีในพระโสดาบันถ้าจนหน้าตาไหลเข้ามาทําผิดพระโสดาวันก็บอกว่าเออข้าว่าข้าพรเจ้าได้ทำเพราะธรชาติก่อนมาก็ให้มันแล้วยงไปแค่นู้นข้าว่าทํามาก่อนมาก็ให้มันเลี่ยไป เ, เค่นูข้าไระเจ้าจะไม่ผูกเวรชะตายแล้วถึงจะพูดอวดมาก็าตาม ออกมาก็ตามหรือถึงจะไม่พูดอวดก็ตามอูตัวแต่ตัวคนเดียวคนในลึกอย่างนั้นก็ตัวดาวเาไม่ผูกเวรในที่แก้และที่รับเราจะพูดใค้คนอื่นได้ยินเพื่อจะเอาเกลียบอย่างนี้ก็ดีก็ไม่มีนะพระตัสดาวถึงพูดก็พูดตามเปนจริงไม่ระวังเพื่อพูดเอาเกลียบถ้าไม่พูดจิตใจของท่านก็ไม่จากนั้นในที่รับและที่แก้ะไม่ใช่ดายอยากผูกเวกรต่อไป ถ้าเป็นพระสวดาวันผู้ชายก็ไม่สามารถจะล่วงละเมิดลูกหลานเขาที่ไม่ได้ทรงอนุญาตในทางพเยรีมีเขาจะให้ทับเต็นเปลนท้าเปลีเดิยนก็ตามไม่สามารถจะล่วงละเมิดก็เคารพที่สุดก็ถือว่าเป็นเรียนเป็นไปจริงิเหมือนช้างนี่ก็เหมือนกันเหมือนพรนยาก็เหมือนกันถ้ามีผู้มาร่อจะสวยกว่า สามีของเราถ้าเพียงไหนก็ตามทรับย์เป็นทรัพย์แผ่นดินก็ไม่สามารถร่วงละเมิดสามีของตนพราะเขาลักทรัพย์เขาเจอเป็นบาปจึกรรมนั่นแหละพระโสดาบาันพระโสดาบันผู้ชายขเอกไม่สามารถร่วงละเมิดต่อทรัพย์ภรรยาของตนแม้ที่แจ้งและที่รับไม่กินของดีอีก ด, ด้วย โอ้มังสังวิรัดเนื้อช้างเนื้อม้าเป็นของพระบรมราชาไม่ควรไปเบียดเบียนทางผู้ใหญเนื้อมนุษย์เป็นเนื้ออันเดียวกันเนื้อมนุษย์ไม่ควรไปเบียดเบียนใครไปฉันเนื้อมนุษย์เป็นอาวัตผลนจัยเนื้อช้างเนื้อม้าเป็นอาวัตทุกข์เนื้อสุนัขเป็นอาวัตทุกข์เนื้อสุนัขแต่พเนื้อสุนัข เพราะว่าสนักเป็นสัตว์ําเมื่อกวัไปฉันพระบรมศาสด า, าเนื้อเสือโค้่งเสือดาวเสือเหลืองราชสีเหล่า น, น, นี้เขาเป็นสัตที่อยู่ในป่าถ้าพิจูไปอยู่ป่ามันถูกกลิ่นมันจะมากัดเงินงูก็มือกันเนื้อหมาเนื้อช้างเป็นเนื้อขอ ง, ของพระเป็นของพระบรมราชาทรงใช้เป็นพาหนะ ก็ไม่ัวถ้ า, าว่าพระบรมศาสด า, ศา <c oughs> ทรงให้ฉันพักแล้วแล้วไปจะมาบัญญัติเนชาติน้ ว, ว่าทำไมมันก็หมดปัญหาเนี่ยเออถ้ า, าว่าพระบรมศาสด า, ศ า, ศาทรงบัญญัติให้ฉันแต่เจหน้าเดียวอย่างนี้นก็ต้องฉันเจไป เรียกว่ามังสวิรัติทำไมไม่มีรัตมันก็มีรัตอยู่แล้ว<ร>ที่เรียกว่ามังสาวิ <lados. S 2> ร, ารัตก็เพราะฉันเนื้อทังปลาม่อยู่จึงเรียกว่ามังสวิรัตผู้มีศรัทธาเพราะพระองค์ในศาสนาบอกว่าผู้มีศรัทธาก็จงทําไปเถิดผู้ไม่มีศรัทธาก็อย่าทําเนื้อที่สองห้ามนก็เนื้อมองังสวิรัติอย่างนี่เองแล้วก็อุตส่ามังสวิรัตเก็บตัวนี้จะฆ่าให้พระไในยินอย่างนั้นอย่าไปกินนะเพื่อนไก่ตัวนี้จะฆ่าพระในยินอย่างนั้น แดีวไปกินด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยสงมัยรังเกียจก็ดีถ้าไปกินไปฉันเขาทานมาเขาต้องเป็นหนักครัทุกคนธรรมของเรามบบนุษย์ก็มาพ้นอาบัตคุ้นละใจธรรมุนั่งมาทีนี้ตอนที่เราลงมาศาสนาราสู่เนปพาเนี่ยว่าท่านว่าแปลว่ามังสาจุกรออกของในจุนทากามานันตุนั้นมันไม่ใช่เนื้อมังสะจุกรอ่อนหรอ ไปแฮตอ่อนที่มูชอบวางท่านแปลไปอย่างสุกระสุกระละก็ไปว่าชุ่กรอนมังส์ก็มังสะก็ไปเอาเนื้อแล้วเนื้อชุ่กรอนของในตุนทะที่มันเป็นหมูง้วนอ่ะมันเป็นเม็ดขาวๆเป็นเม็ดขาวๆเม็ดขาวเท่ากับเม็ดงาฝังอยู่ตามนั่นแหะพอพระบรมศาสดาเห็นพระบรมศาสดาก็บอกว่าห้อยเอาไปฝังเสีย จะสมควรแต่เราจะท้ากษคนเดียวเพ่คือทั้งหายไม่สมควรไม่สามารถจะทําให้ย่อยได้เราจะท้ากษคนเดียวเท่านั้นจะทําให้ย่อยได้คนอื่นไม่สามารถจะทําให้ย่อยได้จงเราไปสังเสียในบอ่อใช่ไหมไปสังเสียในบอ่อเนื้อมังสาทุกอนจริงจริงไม่ใช่เห็ดก่อนที่หมูชอบทีนี่มาแปลไปไปดอกขัด ก, กันมันก็ต่อสู้กันเองเรื่องรานี้เป็นเรื่องของพระเทวทัต พระเทวทัตไปขอพรจากพระองค์พระองค์ไม่ทรงอนุญาตพระเทวทัตมุ่งจะทําลายพระองค์เนี่ยมุ่งจะทําลายพระองค์จะกแขกอยู่พระองค์เนี่ยไม่จะเอาชาติเป็นทัพตัวก็จะฆ่าบิดาพระเทวทัตก็จะฆ่าพระสมมาพระพุทธเจ้าเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนชาติเป็นทัพตัวก็จะฆ่าวิดาเพื่อจะเป็นกษระสับแทนสมชกันเข้าแล้วครับไปเรื่อมสายางนมีสุปพุทธเป็นผู้โยมด้วย พุภวัตถะมิดาสุภวัตถะที่เป็นลุงขพระบรมราสดาช่วยด้วยเข้าเป็นเป็นพรรคเนี่ยก็พยายามฆ่ามิดาจนฆ่ามิดาไม่ได้อันนี้ก็พยายามทำลายพุทธิเจ้าแล้วทาลายขั้งที่หนึ่งขึ้นไปภูเขาทิะปูดไปกิ้นหินลงมาหาพระบรม ร, บรูปสัจจดาพระบรมาราปสดาวเนึกว่าเออ พระเทวทัตตึ้งเห็นลงมาใส่เราก็ให้ถูกเราเลี้ยงเราอยู่นี่ก้อนเห็นก่อนปะทะัดันลงมาต้องก้าก้อนเชิดก้อนเราก็ต้องจะทําให้ได้ถูกใจพระเทวทัตสักหน่อยถ้าไม่อย่างนั้นพระเทวทัตจะว่าแตกเกียร์เสียงมก็เลยเชื่อมเท่าเนี่ไปให้ถูกแล้วถูกนี่ยพระองค์เจ้าไปนี่พระองค์เจ้าให้ห่อถ้าไม่ถูกห้อมันจะว่าแตกเกียร์เสียงเราทําให้มันถูก เพื่อไม่ให้มันเียวเทียวมากมันจึงจะไม่หัวแตกหัวมันจึงจะไม่แตกเทียเที่ยวก็เลยทําก็เพื่อเท่าไปรับรับปากพรบาทห่อตัวมันพัดก็เอาอยามาใส่คืนเหตุนั้นจึงมันดาบเลยว่าโลหิตบาตรทำลายพุทธเจ้ายัางให้ห่อขึ้นไปสังกเพศดังสองก็กิดจากกันแต่สังกเพทนี้ละเอียดละออถ้าสังกเพศ น, นานาทั้งว่าก็ทําสังกเภศไม่ได้ อยู่ในอาวาสเดียวกันลงโโบสดด้วยกันหรืออยู่ในสองสามอาวาสจะมารวมลงโโบสดกันทำสังฆเพศให้แต่กันเป็นทางวสองฝ่ายนัแต่ราวสององค์ไปจึงจัดเป็นสังฆเพศ ไ, <n> ไ, ได้นามพิทุนี้ก็ทําสังฆเภทพิทุสงฆมาได้นามชิกขามานาก็ทําสังฆเภศพิทุสงฆมาได้นานานิกายนาน า, น า, าสังฆาตก็ทําสังฆเพศสังฆเพศกันมาได้จะทําสังฆเพศกันได้ก็แต่เฉพาะที่ลงโอโบสดร่วมกันอยู่ ในสัค Abi, สงคมอันเดียสมานสังวรอันเดียกันคนไม่เข้าใจเรื uh ่องสังฆเพศก็กาตูวไปอันอื่นเรื่องสังฆเพศเนี่ยพระอุบาลีได้เรียนมาเรียนออกจากพระบรมศาสดาโดยมุกมุกเข้าเนี่ยฉนั่นจึงของสรรเสริญพระอุบาลีว่าเป็นผู้แต่งสารในพระรีนัยองค์อื่นไม่แต่งสานในพระรีนัยดอกหรือทําำไหงถึงแม้เป็นพระราห์ก็แต่งสารนั่นกันแต่ไม่เข้าพระบาลีองค์อื่นไม่มีปัญญาเหมือนภาษาเรียบรหรือ มีอยู่แต่ไม่เท่าภาษาอยูถ้าไม่มีปัญญาท่ไหนจะเป็นพระราหนไดก็เป็นได้อยู่แต่ไม่เท่าภาษาอยูอันเดียวกันกับบุกบาลที่แสกจ่ายในเขาอย่นั้นอย่นี้ทีนี้ก็มาร้องขอพระบรมศาสดาพระเทวทัตเออผู้ใดสันผัดก็ต้องฉันไปตลอดชีวิตแล้วกับฉันนึกก็ไม่ได้ครับ ผู้ใดฉันบางสกุลผู้ใดรับบางสกุลก็รับไปตลอดชีวิตจะกลับรับท่าพาเมืองเขาไม่ได้นะครับคู่อยู่ป่าก็ต้องอยู่ป่าเป็นนิสจะกลับเข้าบ้านไม่ได้ครับมีหลายอย่างมีหลายข้ออยู่ทุกท่านชวนขอเกษตรกรชวนขอพระองค์ไม่พระองค์มาอันเนื้ออย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยเรามาขออย่างนี้เราดูดีแล้วเธอจะแข่งดีกับเราจะไปหลอกคนโง่ให้เรียบใช้ด้วย เธอจะไปหลอกคนหมอยเรื่อนใส่ด้วยนะเนี่ยเรารู้ดีแล้วเธอเอาอันหนึ่งไม่ได้เธอก็เอาอันหนึ่งเรารู้ถึงเจตนาของเธออีกด้วยเธอหวังจะแตกแยกพวกหวังจะไปพกคลัวโ ก, กเอาคนมวยมาเป็นพักเรารู้ดีเธอทีนี้แกก็ไม่ยอมที่นี่ปเทวะไปถ้าทางใครเห็นดีก็ไปกับเราแต่ว่าพวกที่วัหมาก็ไปกับท่านห้าร้อยองค์อพอทราบแล้ว ท่านก็บอกว่าสาดิบุตรโลกคณาไปตามเอามาซะเพรนั่นไม่รู้จะให้หน่วยนี่อะไรพวกเขาบวชใหม่ถ้าอย่างนั้นอาชิกรจะกำลังมากแค่ปล่อยให้เธอเป็นเอกราชในเรื่องนี้อาชิกรจะกำลิงในอนาคตก็เลยตามไปเอามาตามเอามาพอมาถึงกาลทางพระเทวทัพก็ลึกป่วยบ้างเ อ, อมันเหียนความผิดของตนว่าเออเรานี่ น่าเป็นวิชาทิฏฐิเสแล้วเรามาป่วยบ้างแล้วก็นึกถึงว่าเราได้ทํากรรมอันไม่เหมาะสมกับพระบรมศาสดามานมนาแล้วเราก็เลยไปหลอกล่อพราเจ้าอาชาติสัตว์ตกให้ข้าวบิดาของแกอันนี้เล่าบ่าวนาแล้วทีเราจะคืนไปขอเขาแม่โทษพระองค์หรอกพระองค์ก็ได้ทราบข่าวว่าพระเทวราชแต่เกินมาขอธรรมโทษ เออมาก็ยังไม่ถึงเราหรอมาถึงกลางทางก็จะมีอันต ร, รายพระบรมสารีริกานพอมาถึงกลางทางหามใส่เตียงไว้หามเสเตียงเขาพระพระถามาา ม, าาม า, า, า, มาลุกติดขอบทางถามมาจะมาขอขมำโทษขอเอาเตียงไปวางไว้ไปดื่ม น, น้ําที่บกเท่านี้เีงครั้งนี้ก็ยุกเอาเตีย ง, งเลยย่างแต่พอเหงียนขึ้นมา อ้เราจะเอาคอนี่แหละถวายบูชาพระพุทธเพราะบรมมสารด harma ด้วยอำนาจจะเอาคอนี้ถวายจะเรียนพระพจิตรองหนึ่งในอนาคตแต่ความจริงเนี่ยพระเทวทัตสร้างบา ร, รมีมาสองสอสขัยแล้วยังแฉงกับเท่านั้นสร้างบา ร, รมีเป็นพระพจิตรมาถ้าเป็นพระเอกสันนิวันก็สร้างบา ร, รมีเป็นพระพจตมาพาพระพจิตรมาแล้ว เ้าือชนจึงไปรวมภาษาดิบุตรนโมคณาได้ก็บอกสารตาเราจะไปหาพระเวทั้นร่อนไปรวมได้เพราะพวกนี้เป็นภูมิสาวกจึงรวมได้ภูมิสาวกสร้างบา ร, รมีเหนืออสุขนั่งอ น, ง น, น, อ น, นันสองขันนอนั้นันสันสองอสลัองอขัลังอีกแลัสอจลัสงจัองจลน่ิ่นน่า ไม่ให้พระเทวทัตทดทดสอบที่พระบรมศาสดาก็ไปเป็นผู้ที่เจ้ามาเต็มภูมิเหมือนกันนะมีของขวบมาทดสอบที่พระบรมศาสดาบอกว่าพระเทวทัตมาหาเราก็ยังไม่ถึงเราหรอกอันนั้นไม่ใช่อภินิหารหรอกหรืออันนั้นที่อภินิหารเนี่ยอ น, นาเขตังสยาน ถ้าหากว่าการที่กินเนื้อมันเป็นเหตุให้เขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพืาอเราก็ไม่ได้ประกาศเขาไว้ว่าถ้าไม่เป็นเนื้ออย่ามาเอาใส่บาตรให้เราเนื้อไม่ได้ประกาศเราจะฉันเนื้อพวกนี้ก็ไม่ประกาศเราจะฉันผักพวกนี้ก็ไม่ประกาศเขาเอาอะไรมาให้ก็เอาเว่นไว้เดี สิ่งที่มันขัดข้องมาเอาถึงเอาแล้วมาถึงวัดตัวทิ้งไม่ได้ไม่ได้ประกาศไปพวกมันเอออันนี้ทวงโถ้าทำถ้าหากว่าเข้าใจว่าคนอื่น ชั้นเนื้อชั้นปาเพดแต่มันมันมันหางไม่ถูกไม่ได้ว่าเขาผิดแต่เราเป็นผู้ชี้ว่าเราถนัดเฉพาะตัวเราถูกถ้าทำอย่างนั้นถูกไม่ได้ไม่ได้เลยเอไม่ได้เลเอาคนอื่นเขาผิดแต่ว่าเราเฉพาะตัวเราเองก็คิ้งเห็นไปดนเรื่องที่ว่าเรามีการทานอ่าไรเป็นเหตุเป็นผลเพราะพวกเราไปทานไปครึ้นแล้วตอนมตายมันแค่เกิดขึ้น แล้วก็ไปฟังฟังบางเขาเก็เถีในห้องนอนว่าอย่างเราตรวจน้ำเนี่ยเรานก็แผ่ตรวจคุณสมแล้วก็ไปเจตนาให้จัดอ์่ีเพื่อเปลี่ยนชีวิตแล้วขอให้มีความอดีมันเป็นศกก็อธิฐานลงไปว่าแมาตรวจน้ำลงไปว่าแผ่ช่วงคุณสมว่าขอให้ ตัดทั้งหลายจงเป็นส yeah, ุกเป็นสุกทั้งสามเขาบอกว่าทางว่าเราให้แพ่อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ตรงเพราะเราทางคานจะกินเขาเขาต้องตายเพราะเราไปไปคานไปกินเนื้อเขาอยู่เนี่ยเราควรที่จะไปไม่ไม่ควรที่จะไปทานเนื้อเขาเพราะเราหวังที่จะเขาอยู่เปนสุกเปแล้วแล้วก็ก็ไม่ควรที่จะไปทานเนื้อเขาเพราะนี้เหตุ่งการทานี่แหละมันเป็นเหตุ ถ้ายอ่ไอว่ า, าวอย่างนั้นมันก็เข้าข้าตัวเกินไปเอา้าเขาข้าตัวเกินไปถ้าอย่างนั้นมันก็เพ่งโทษพูดที่เขาฉันเนื้อชันปลาเป็นคนบาปใชนีหยถ้าพูดอย่างนั้นถ้าเข้าไปบอกเขาฆ่ามันก็บาปจริงการฆ่าสัตว์มันก็ต้องคว่ำโดยองค์ห้าอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับบาปนะฮะฮะไม่เชี่ยวกับเขาเป็นบาปน ะ, ะับถ้าบาปเขาเป็นบาปอย่างนี้มันอีกจังหวะหนึ่อันนี้เป็นแต่เพียง ว, ว่าขาดไม่ตา คือข้อเม่ตาที่จะช่วยหลือสัตว์ไม่ให้อย่างที่เราตรวจหน้ว่าโง่เป็นสุกเป็นสุกเลยพยายจะให้สัตว์ตีทีนทนทนท่นี้คิดคิดด้วยกันรวมรกมดนวยกันมีมมความเป็นสุกเลยแต่ถ้าเราทานอย่างนี้เี่ยเขาจะเป็นสุกนี้มันก็มีคําแย้งกับอีกมันกันมันจะมีคําแย้งยังไงแล้วผมจะแย่งไปเนาะทีเช่นเมียอย่างนี้ผ้าไม่เอาเขาเอาทําไมนะทีนี้เราทานผักกันสัก ต, ตายด้วยผักเมียไหม กว่ามันจะเป็นผักมาเขาก็ไปฉีดยาตายอาโคเนี่ยนะตัวพุ้งมันตายมากถ้าว่าคู่ฉันผักมันเป็นของโมเดลสุดอย่างนี้โคกระบือมันชนกันตายก็มีแม่มันกินหญ้ามันโคมาตายก็มีช้างมันตัวกินหญ้ามันตัวฆ่าคนตายเหมือนกันนะถ้าเราจะพูดอย่างนั่นนั่เดียวก็ไม่ถูกก็ค่ากับว่าเสียชีพวกที่กินน่เหมือนกัน ถ้าเราจะไปพูดอย่างนั้นถ้าเราไม่พูดถ้าถ้าเราไม่พูดอย่างนั้นมันเป็นส่วนตัวของเราเป็นส่วนตัวของเราเฉพาะชอบเราเองเน่ยมันถูกอยู่ถ้าไปเราไปอธิบายอย่างนั้นผู้ที่ชั้นเนือชั้นฟ้ามันเป็นคนสาหูหรือมันมันเป็นคนไม่เมตตากระโดนามันผิสกันกับเมตตาขอให้เป็นสุขจะให้เป็นสุขยังไงเราซีแตกอยู่อืมนะมันเข้าไปอย่างนั้นน่มันมันเข้าไปอย่างนั้นถูกไหม อีอฝ่ายหนึ่งก็ว่าเราแต่ยังคือยู่งพ่ออ่ะคือหลวงพ่อเขามียังไงเราก็ฉันยังไงที่นี้เขามียังไงเราก็ต้องฉันอย่างนั้นเขาเอามาให้สิ่งที่เราไม่ฉันมันก็มีอยู่เรื่เนื้อมนุษย์เนื้อช่างเนื้อหมาเนื้อหมีเนื้อสุนัขพระบรมศาสนาวางไม้พอแล้วเอาทีนี้พวกที่ฉันเนื้อฉันปลาใช้ทุกกร ะ, ะไปซื้อเอาเนื้อไปเอาซื้ออปาปาที่ชาวพะโมองมา มาทำบุญตักพระพุทธศาสนาะมาทําบุญตักพระสมาพทำบุญตเก้าบที่คนทั้งหลายเห็นชายทุ ก, กะตะนั่นถูกจะจับฉลากถูกเพราะบรมศาสตร์อาก็เปลี่ยนเอาพระธาตุไปเอลี่ยนก็แก่แก่ก็ไม่เอาเราได้ถึงได้ถือ ไ, ได้ถูกเพราะบรมศาสดร์อาจรย์แลมาให้เปลี่ยนให้ใครจะให้ภาบเต็มไปกวาผ่นเด่นแล้ก็มาเอาแก่ก็อะไรไปรับจ้างขง่าฟืนแล้วก็เอาเงินไปซื้อปลาของชื่อปลาทะเบียนเข า, เขามาทํามาทําแกง ใสบาตรใพอบรรมาสายเดระเรนี้มันทําแกงใส่บาตรให้พอบรรมาสายสดากินอันนั้นก็หอมไปทั่วทั้งไตลกชาติพราะเทุดาเทวดาเขาเขเอาอะไรอะไรมาใส่ให้เรื่องชั้นเนือชั้นป่าก็มีอยู่นี่เรนี้ถ้ากว่าผู้ชันผักเป็นคนใจไม่โหดไม่ร้ายอย่างนี้ช่างมันฆ่าคนตายมากเมื่อมันก็ชันเนือชั้นป่ามันก็มีเกลียดเหมือนกันมันคุมตัวเมีย เป็นสูงหงวังทีมันเหยียบกันตายเตะกันตายก็งี้แค่เหยียบมันก็มากเหมือนกันออืถ้าเราจะไปพูดอย่างนั้นกเข้าข้างตัวอีกเหมือนกันอถ้าเราอยู่เฉยเฉไม่พูดได้เป็นไรเพราะนิสัยของผมมันชอบนี้ถ้าอย่างนี้ผมฉันผักแรกมันสบายไม่ต้องต่อไปอีกถ้าไปต่อว่าถ้าไปต่อว่าพูดที้ชันผักพูดที่ชะเนื้อนมันทําให้คนฆ่าสัตว์อย่างนี้แล้วก็หาอวัยจะเอาแพร่เอาชนะกขาพวกฆ่าสัตว์อยู่เราจะพูดอย่างนั้นถูกไหม เราจะได้บริวารอยู่นี่แเราจะลว ก, กเราอยู่มันจึงไม่ถูกเหตุฉะนั้นทบบาลกษตริย์สลาจึงทรงห้ามถ้าเราอย่างถ้าเราฉันพักเราไปที่ไหนแล้วก็ประกาศแต่ที่กินเออฉันผมฉันพักผมฉันพักผมชันพักไปที่ไหนก็ประกาศแต่ที่กินอยู่อย่างนั้นพวกที่เขาไม่ขันพักเนี่เขาแม่ประกาศให้อะไรเขาก็กินไม่ให้เขาก็ไม่กินนะอันไหนจะสบายกว่ากันทีนี่ความลำบากมันมามันก็มันแล้วแต่ตัวที่อยาก ไอ้ตาหูู้้วจําได้จำขี้นเต้องหูู้้วิจน่ะมันราคาสูงสักเพียงไหน่ะกว่าจะทําได้น่ะไม่ใช่ของง่ายๆเนอะ ม, นมันมีหลายอยา่างพ่ะบางคนเขาก็ทําเป็นลวงตาเองอเขาเอื่อมาปั้นเป็นรูปอะไรต่ออะไรทำเหมือนอย่างก็าอาหารเจเนี่ยเนอะอันนี้มันก็เป็นการหลอกในตัเวเองยังจะทําให้้ายกับไส้หมูไส้อะไรต่ออะไรอย่างนี้พราะว่ามันก็จะไม่ถูกแต่ถ้าหากว่าเราจะมีเจตนาสงสารสัต โรคในการกินแท้เราก็ต้องไม่ต้องทำอย่างนั้นอะไรก็ได้ข้าปล่าก็ได้เกลือเฉยเฉยก็ได้ครับหรือไม่มีข้าวเปลก็ถูกก็ถูกถ้าอย่างนั้นได้สินี้ีถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องจัดที่สวนที่นาไว้สำหรับปลูกขัดไม่ต้องรบกวนใครเราปลูกเองถ้าอย่างนั้น เราความยังคีวยั่อยผู้อื่นก็ต้องทําตัวให้เขาเรียบ ง, ง่ายเขาให้อะไรก็ต้องกินไปกินอะไรก็หมิ่นลงไปอันเดียวกันนะถูกไหมเอา้าถ้าจะว่าการกินถ้าจะว่าการกินเป็นของบริสุทธิ์เช่นนี้สักที่กินผักเราก็ไม่ได้เรียกว่าอาหารอาหารบุ้งอาหาร น, นอนพวกที่กินเนื้อที่นี่เราก็ไม่ได้บอกว่าอาหารเสืออรหารงูมันไม่ขึ้นอยู่กับ ก, กินมันขึ้นอยู่กับกิเลสต่างหาก อันนั้นใชอันนี้ไม่ได้พไปในเรื่องคนนะคะ <s>. right. ถ, ถ้าว่าเรื่องจิตคนไม่เกี่ยวกับอาหารหนึ่งนั่นอันนี้ไม่ใช่เรื่องคนนะคะาถุกถ้าเอาว่าจิดหรือคนน่มันคนละหลักกันถ้าเราจะไปที่นี้ก็ว่าตายองพ่อเดียว่านั้นเองผู้เขากินเนื้อกินปลาเขาไม่เมตตาหรือเมตตาอยู่แล้วเมีตาแต่ผู้กินผักหรือนั่นมันก็ไม่ถูกเราทุกข์เขาขังตัวเราเมตตาอยู่แล้วครับจะคดว่ามตตาแล้วเอาคืนได้ไหม มันไั่นเมื่อเมืันคืนเอาคืนไม่ได้เราก็ต้องกินถ้าเขาให้มาโดยชอบทรเขามูตามนีแต่ถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยการฆ่าสัตว์มันมีอยู่ห้าอย่างรู้ว่าสัตว์มีชีวิตอยู่หนึ่งแล้วก็พยายามไปฆ่าสัตว์หนึ่งชัดตายตามความประสงค์หนึ่งเรียกว่าปานาทิบาท่านี่ผู้ผู้กินสัตว์จะเรียกว่าปานาทิบาไม่ถูกนั่นนั่นนั่นปาณาทิบานั่นนั่นไปสิงฮะนั้นข้อสิงไม่เป็นหรือสิงเราไม่ขา เหมือนอย่างที่เขาบอกว่าเด็กเจะตกหน้าเนี่ยฮะถ้าเราไม่เด็ไปหลักเขาเนี่ยเราก็ที่เราไม่เสียหายอะไรเลยแต่เราขาดพ่อแม่ตาไม่ช่วยไคยกตัดนั่นให้คนพอแท้ที่จะหุดดึงเขาให้รอดชีวิตได้เราก็ไม่ช่วยแล้วเสียเสียเสียนี่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรครทีนี้เราฉันเนื้อเราเขาหยุดไว้แล้วเขายกข้าไหมล้วเราฉันผักไม่หยุดถูกไหมเออเขาก็ไม่หยุดนั่นรถไม่รถโคกระบือก็ยิ่งมาก มันลบตรวจเฉพาะเหมือนอาหารนะครับเพียงเพแบบว่าถ้าเราไม่ฉันอาหารสางมือเนี่ยเขาก็ไม่รู้ดหงเราเลยครับเขาไม่รู้ดหิดเราเขาหงเหมือนกันมันเป็นพูดเข้าข้างตัวเกินไปพูดเข้าข้างตัวเพูดเพื่ออยากจะให้คนได้ยมตัวเองเรารู้จักดีอันนี้เรารู้จักดีถ้าหากว่าใครไปคิดอย่างนั้นเสื่อมหวังที่จะให้เขาจะยมชมชอบไม่เป็นหลักถ้าใครได้คิดอย่างนั้นเข้าขวดแท้เลยด้เขาเป็นไอ้มองไม่ ในด้านจิตเรอหลอกตัวเองอย่แล้าทำอย่างไรก็เป็นพวกทหลอกตัวเองเราจาไปหลอกคนอื่นแล้วหลอกตัวให้ตัวเองเขาแล้วถาทำในพวอื่นมากะหลอกหลอกหลกด้วยอีกบเมอัเรามาศาธดาบรรยัติไม่ดีแล้วไม่บรรยัติสิ่งที่พระพุทธเจ้ามันบยัตขึ้นไม่สอนสิ่งที่พระองค์ทรงบนรยัติไว้แล้วสมาทานศึกษาในสิก้าบทตามที่พระองค์ทรงบัติไว้พิอะไรเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เขาตนักดุลเท่านั้นที่ ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นกินดีในเสนาสณาป่าตั้งใจยอยู่ว่าเจ้งพิสูจท์ามาเร น, นซึ่งผู้มีศีลที่ยังไม่มาถึงอาวัตคอยมาที่มาแล้วค่อยู่เป็นสุภสุตเตอร์ทำเหล่านี้มีในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยแต่ความเจริญป่าเดียวนะธรรมะของพระองค์บอกไว้แล้วแม่บรรญัติสิงผู้ิเจ้าแมาบ่บรรยัติขึ้นไม่ถอนสิงชุบองของบัติไว้แล้วถ้าเราไปยืนยันอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเราจะบั ญ, ญัติสิงชิบุติเจ้ า, าบยัติขึ้นไม เราไปยืนยันว่าคนคนไม่ชันพักเหมือนข่าต้องเนคนไม่มีเมตตาอย่างนี้เราก็เราก็เอาโขนสวมหัวเราคนเดียวใช่ไหมนี่ยตอนนี้เป็นอย่างนั้นละพูดอยู่เดียวเนี่ยพูดอยู่เดียวนี้พูดอยู่เดียวนี่ยิ้ได้ยินมอยู่เดียวนี่ว่าพูดติด้ดั้นพักกันพูนั่นผู้ได้ชั้นพักจึงมีเมตตาผู้ได้ชั้นเนื้อมันไม่มีเมตตามันให้เขาฆ่าสัตว์อย่างนั้นพูดที่ชั้นพักกัน เขาฆ่าสัตไหมทุกวันนี่เขาก็ฆ่าอยู่ถูกไหมนั่ที่นี้พวกเขาเขากินนี่เขาก็ไปบอกว่าพวกนี้ตรงฆ่าโคฆ่าขามือสายบาสให้เง่อเขาก็ไม่ได้ว่าเหมือนกันนั่นถูกไหมไม่ได้บอกไม่ได้บอกที่นี้พระไม่มีเมียเขาเอามาเขาเอากันมาทาไม ถ้ว่าเป็นด้วยพระเอา้าพระม่รักทกยกหอเข้ามาเขาไปรักทําไมเขาไปป่นไปขี้ทําไมพระมาไต่ลบข่าถึกที่ไหนเขาไปลบทำไมนั่นมันขึ้นอยู่กับเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระถูกไหมถ้าอย่างนั้นโครกระบือตายด้วยเอกด้วยไยเขาก็ไม่ควรกินข้าไหมก็ไม่ควรนุ่งเพราะมันตัวหมอนมาตายมากถูกไหยพระพระข้าไหมก็ทำไมต้องเอาถูกไหมเพราะตัวหมอนมาตายมันทํำให้เขา ถ้าตัวหมดนั่นมันก็มีที่แสงก็ต้องแสงสิเออมันมันมีที่แสงก็ไม่แทงออถ้ามีที่ไหนมันพอจะรั่วมันก็ไประน้ําถูกไหมจะห้ามมันไม่ได้ที่ไหนมันมีที่รั่วมันก็จะไปถ้าอย่างนั้นสังคมทุกประเทศชาติที่สื่อบ้านเมืองมาที่สื่อพระพุทธศาสนามาจะถูกแต่เราคนเดียวหรือพวกกินเนื้อกินปลาผิดวัดรหรื อ, อสังฆราชก็ผิดหรือ นั่นไม่ใช่เอาผิดัเขาพวานั่นย่ไปเอาผิดกับผู้อื่นเขาไม่เอาผิดกับผู้อื่นแต่ว่ากล่าวตัวว่าไม่มีเมตตาถูกหเอาผิดไห้นั่นเมตตาก็มีครับไม่ใช่่ีนั่นนั่นมากับไปแล้วนี่กับเทเป็นจริงกับจริงเป็นเท็เอาพูดต่อหน้านี่บอกว่าไม่มีเมตตาไม่มีเมตตาเขาผู้ชันผู้ชันเนไม่มีเมตตาเขาพูดต่อหน้า เมื่อได้พูดเราพูดทั้งชิงทั้งขิงเอเนี่ยเราก็ไม่เอาแค่เอาชนะหรอกเราพูดเราความจริงนี่มันชั้นผักมันเป็นที่สบายแต่ไม่ได้ดูถูกท่านผู้ไม่ชั้นดอกถ้าพูดดังนั้นน่าเรื่องใส่ถ้าไปพูดว่าคนอื่นน่ะไม่ฉันผักเหมือนกับเราเป็นคนที่ไม่มีเมตตาผมไม่ลงเลยตายผมก็ไม่ลง ช่างมันกินแต่มันกินแต่หญ้าทาไมมันมาฆ่าคนตายทําไมไม่มีเมตตาหม่าหมูนี่มันทําไมมันเตะคนตายมันกินแต่หญ้าก็ควรให้มันเมตตาบ้างสิน้อบุ้งหนอนมันก็กินแต่ผักทําไมเราถึงแม้ว่าอาหารบุ้งอาหัารหนอนอาหารช่างอาหนร์ม่าผู้ที่กิน เรื้อว่าเหมือนกันทําไมจึงไม่ว่าอรหันเสืออรหันงูมันก็ไม่ถูกทั้งสองทางนั่นเองมายืนยันกันแต่เรื่องกินเรื่องขี้เรื่องอื่นๆยังมีกว่าไปนี่อีกเขาให้อะไรเขาทำกินสิที่ห้ามพระองค์ห้ามแล้วเราจะไปอวดดีต่อพระองค์อีกมันก็ไม่ถูกถูกไหมนั่นถูกไหมอ๋อ เราจะไปอวดดีต่อพระองค์ ก, ก็ไม่ถูกพระองค์มันอยากไว้พอดีแล้วเราบอกว่านี่สายของผมถ้าชั้นเนื้อชั้นปลามันก็ไม่เป็นที่สบายของถาดของขันถ้าชั้นผักมาแล้วภวานาก็ง่ายเบามากพูดอย่างนี้น่าเรื่องใสแต่ว่าไม่ได้ประกาศเลย ที่นี่เขาเอาปลามาใส่ให้คว้ของเขาทิ้งมันก็ไม่ถูกบางท่านทําอย่างนั้นเขาเอาอะไรมาใส่คว้ของเขาทิ้งมันกระทบครบกระเทือนขอเขาเกินไปมันก็ไม่ถูกอันนี้ก็เราไม่ไปบอกเขาข้าเนี่ยพรุ่งนี้จะมาบินสบัด ท, ทั้งนี้ขาโค่ากระ บ, บือรักเนอะเราก็ไม่ได้บอกเราไม่รู้ว่าเขากินอะไรไม่ทราบทีนี่มีปัญหาสอดเข้ามาว่า พวกที่ฉันเมื่อกียังยุ่งกันอยู่เมื่อเอา้าเวลาเข้าแต่งงานพวกก็ค่าโภค่ากับเบือ้อทีนี้เราก็รู้จักว่าเาข้าค่าค่าโภคค่ากับเบือ้อเราไปกินไม่เป็นอาวุธทุกข์หรือพวกนี้พวกไปกินเนื้อเสียบกันเราต่อว่าไม่เป็นเพราะเขาไม่ตั้งแจ้งว่าจะค่าให้พระเขาเรียกคนต่างหาเขาบอกว่าพระจะเรียกยังไงก็ยังง่ายเขาวนะ่ารับคนของเราเนี่ยทั้กันแขกที่มาหาเนี่ยไม่มีหมูมีงัวมี ไม่ไหวเพราะว่าสำหรับพระให้อะไรถ้านพกินหรอกขอป่วยถ้าซอยเสแวงให้เห็นอย่างนัก็เรียกเขาไม่ท่าให้พระเรากินเขาไม่เป็นโทษนะ่นี่อันนผมจะพิจารณเรื่องนี้ท่านพิจาาทีหลังผมดอกผมจะพิจารณาแล้วเอาผมทุกวันนี้นะเอา ผมเถียงอยู่อย่างนี้แหะถ้าไม่มีผู้ใดมารับสารับอาสาให้ผมฉันผักจะเอาให้ผมบริวผมก็ฉันได้ฉันผักถ้าทำมีมีผู้มามาอาสาเนี่ยเอ้าดิฉันจะอาสาทําเกให้องค์ท่านฉันนะให้องค์ท่านฉันไปแล้วผมก็ฉันได้ผมก็ฉันได้ผมยิ่งสบายกว่าฉันเนอะมันไม่คาควันผัก ที่ไปมีผู้มารับอาสาอาสาอย่างนั้น่ะผมก็เลยไม่ทำถ้ามีผู้มารับอาสาอย่างนั้นผมทำก็ได้แต่ผมจะไม่ดูถูกคนอื่นก็จะเอาไปดูถูกเขาเขาก็ผิดนะเขาไปรูถูกผู้อื่นท่านดูถูกผู้อื่นนะเมื่อกี้นี่ยท่านบอกว่าคนไม่มีแม่ตาสอนแยังให้เขาฆ่าสักว์ท่านพูดอย่างนั้นท่านพูดอย่างว่าสอนแสดงให้เขาฆ่าสัตว์สอนแสดงให้เขาฆ่าตัตกินตัตเนี่ยสอนแสดให้เขาฆ่าตัตวถ้าเราไม่กินเขาก็ฆ่าอยู่นี่นั่น ยกอุทอนก็ยกไมถูกเตนามมีแล้วคือจะไปเถถลออยกก็ยกไม่ถอถ้าหากว่าเราไม่กินสัตว์ใจำพวกโคสินักไม่กินสัตว์เท่าเรื่องค่าสัตว์หม่ทุกวันนี้ขายเต็มตลาดวันละพันตัวถูกไหมเราจะพูดให้เหม็นเสียงนี่แหละถูกไหมออน้องคนเสียมันบ่บากเพื่อนบ่เอาไปคาไปลาไปอ้อมไปเกง ผมจยังวะผมพูดตามเป็นจริงผมพูดตามเป็นจริงผมเบียดชุกเบียดชุบะไว้ให้พี่ไงนะชัดๆเนอะผมพูดถูกเนอะผมไม่ได้เบียดเบียงใครท่านจกฉันผมก็อนุโมทนาอยู่แต่ว่าท่านจะไปพูดว่าคนทันเหนือยฉันฟาเป็นคนไม่มีเมตตาแบบนี้ผมม่ยอมท่านจนวันตายตาย้ะเกิดตายจะเกิดผมก็ไม่ยอมท่านท่านพูดอย่างนั้น ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยพูดอะ้รนั้นเยอพอปอกขูท่านก็หลบสีเนี้ยไม่ใช่ไปกลัววันไปท่านพูดผิดไปแล้วเนี่ยท่านพูดผิดไปแล้วอือนะเพราะอะไรเสียดีกว่าก็แคดเป็นจริงก็จรินเป็นแคดรัฐสภาพิจาวณากรรมกรรมเพิ่มโทษแก่พิษูจนพูดแสดงกับไปกลับมาพูดมุสาถึงหน้าเออกบไปกลับมาพูดฉลาดไฉ่พ่อเเกินที่ถูกซักถามพูดมุสาถึงหน้าท่านเพูดมุสาทึ่งหน้าเยอะเนี่ย นั่นไม่เอาแล้วยกให้ยกให้วะไม่เป็นไรหรอกอ๋อผมก็ลดตั้นอย่างสูงเลยผมถึงได้มาเนี่ยก็คิดว่ายังบางครั้งบอกกหลานว่าอยากจะมีโอกาสแล้วก็จะมาอยู่ใกล้ชิศทันเพื่อจะได้อะไรไปบ้างในการปฏิบัติของผมอาจจะยังสั่งมันยังคล้ายๆว่าบางทีก็อาจจะบกพร่องอะไรบ้างอย่างได้ก็บกพร่องในปริญญาตรีปริญญาตปฏิบัติอยากจะ้ปิ๊ หาทางหาคู้แนะแนวทางมาพ่อมาพี่ยัดนะก็มีเจตนาเรื่องกินเนี่ยเรื่องกินน่ยมันมันแสดงได้ว่ามันมีเลยเพราะผมพ่อเข้วยน้ำใจอันแท้จริงเพราผมอยืนยันเลยเขารบท่านถึงขนาดเพียงจะได้เห็นนังสีอะไรนี่ผมก็อยากจะมาคารวะท่านนะเห็นหนังสือของท่านเห็นออกไปในแนวที่เรียกว่ามันใช้ได้น่ะมันชื่นใจอ่ะอ่านแล้วมันชื่นใหจคือไม่ติด ความันจริงมันเป็นอย่างนั้นนะท่านมันเป็นอย่างนั้นล่ะความจริงมันเป็นอย่างนั้นไงล่ะพระเทราานุเถระทั้งหลายสนใจยิ่งกว่าท่านเลยแล้วก็เพียงเราพักเดียวจะไปงักจะไปักคนทั้งประเทศให้มันร่วมมันโจมหมดมันไปไม่ได้นไม่ได้ครับมันต้องติดทำไปถ้จะปฏิบัติส่วนตัวไปเรื่องส่วนตัวก็ทำไปตัวก็ทาไปย้ายกับข้กัตเตอร์นะครับครับครับมันต้องอย่างนั้นนะครับรู้หอกฉันติดรู้ดีเป็นหางมันถึงจะใช่ได้มันจะใช่ได้ ถ้าจะนก็เป็นไทยแกทงหมดไม่ถูกี่อาจยอก็ยองบนที่ยอที่เขาบอกว่าอาตมาทไปแล้วพล่างทายจะไม่อนวยให้อกังถูกการไม่อนวยเลยก็เนี่แต่มันเจาะค่อยๆใส่ค่อยๆก็เราไม่ได้ไปบอกเขานเราไปที่ไหนเราก็จะไปจะไปอวดอาตมาชัาผักอาตมาชัผักก้องอทุกบ้านทุกมุถูกไหม ถ้าไม่ทาอย่างนั้นเขาก็เอาให้มามามาให้ถูกเราก็มาได้กินข้าวเลยก็มาบอกเขาก่อนทาอะไรที่มันสบาีได้กต่านไปแล้วต้องไปบอกเขาลงหน้าไปที่ไหนก็ยากแต่กับกินกับขี่นะต้องประกาศแต่เรืกินเรื่องทีสฉันผัดฉันผัดฉันผัดฉันผัดฉันผัดฉันผัดเนื้อนั่นอ่ะไม่ต้องไปบอกเขาก็ได้แต่เราเราทำใจได้จริงๆก็ไม่ต้อง ไม่บอกเราก็ไม่ได้กินอะเขาเอามาเพื่อนกันเราไปกินไม่ได้นบารนะเดวก็ทิ้งผัดมาบ้างแล้วก็ทิ้งปลามาบ้างเพื่อนกันโอ้มันเพื่อนเรียบถึงไม่กินถืออย่างนั้นก็มากไปหน่อยตับ้ก็จะถขนาดอย่างนั้นก็มากไปถือแบบนั้นหระผมเห็นมาแล้วมันมาไปทาอย่างนั้นแล้วทำคล้ายๆเหมือนแบบเะอิดเสียเอ็นอย่างนั้นมันจะนเกียดเกินไปแล้วผมนันเถอที่นี่ท่านจะคุณธรรมเจดีท่านอาจารย์สมัฉันักท่านจะคเจดีก็แจกอาหารที่นี่ ท่นอาจารยคุณธรรมเกดีแกกอาหารพอแกกมาถึงท่านอาจารย์สมนี่ท่านอาจารย์สมสังเกตสนี่เอาปลาเช่นใส่ให้ก็เอาลูกบุตรทบตเจดีก็มีพอแล้วเอาที่ยัใส่ใส่ให้เป็นลูกสิษของท่านลิของท่านอาารคุณธรรมะเกดีท่านก็ว่าได้ป ไปุประสุกอันนี้กลัวท่ผมเนี่ยต้องไปดูนั่นเองนะครับผมชอบนักสืชอบอ่านหนังสือทำงาแล้วอ่านบางทีไม่รู้ถ้ากลัให้ผมออกไปยักใส่ห้องขี้จะก็ไม่ได้ไม่ๆม่ครับผมผมชอบเราผมว่าทำนุกถึงธรรมะออกเดอออกจำหน่ายไปจุกไปแ้ออกไปแจก ผมจ้าเอาไว้ถึงพริกติงให้เธอรู้ให้คุณรู้ตัวเฉยๆหรอกผมเมตตาคุณล่ะผมจึงเอาทั้งพริกสักขิงถ้าผมไม่เมตตาคุณผมก็เออเออไปเรื่อไปเร่อยไนั่นล่ะผมไมไ่ไม่เสียอะไรช อ, อาหารหนี้ยป้าหน้าทือบาทชอบกับทารหาว่า เ, เขาเสพแม่ทุนเขาก็ต้องไปเสพเนี่ยเขาอยู่ในใน เขาจบัดดับคอมันเดียเอามาสูคนทั้งประเท ศ, ออมเทศมไม่ใชได้บ่ เ, บเขาะบัดเร่งเขาดับคอเื่บริเรนยซือประกาศว่มาตเกเองน้องวอกอหีแมวว่าซื้อวได้ขอเดือนรับอืมโมเดล พอเราไม่ไปเถียงเขากรทีพื่ของเขาเราเถียงอยู่กระเพี่ของเราเขามาให้เราเราเถียงเราก็เถียงซิแล้วไม่ได้ไปเที่ยวมาเถียงกับเขาเราเถียงไม่ไ้หุนเราถ้าเขาฆ่าเราอย่างนี้เราก็จับได้ถ้าเขายิงปืนใส่เราเราก็จับได้เพราะรู้อยู่ที่สำแหน่งของเราเราไม่ได้ไปเทีย่ยวบานเขาเขามาหวัดดีกับเราแล้วก็เอาซิ มันไม่ถูกนักเลยมีมันเป็นเชี่ยวต้มจุ๋นมันบอว่าพวกที่กินเนื้อกินปลามันบอกไม่เมตตาวะท่นเมตตาจะไปเที่ยวบอกเขาไแทำไมไปเที่ยวฟันแห้งเ็าิ้มทำไเขาบดเทียกระฝากกันเที่ยวตัดหอกตัดแหนบเขาพุงโดดปืนเขามือไปเที่ยวักกระปาุงโดดก็ันตายท่านเด็ดซ้อมป้อๆ้อมไร่ ตัวโงวีเนี่ยเนี่ยอไรมันเหลือไว้ใส่ห้องกับอุเบกขาแต่ตัวกำลงซับแต่ตัวอันนี้มันเหลือไว้ใส่หามยคนขซัตชีวิตเขายังไปข่านอีกเขาไม่ได้ขาดเพื่อห้ามมันสมบูร์นะพระพุทธเจ้าหวังว่าจะเอาพวกแห่งเรื่องมือมันไ่ได้เมื่อใดก็เลยบอกว่าจะมาหามังสังียงต่ละนม่ได้พราะพุทธเจ้าขมุ่งว่าเฉียวขนาดเล่านี้ก็น่าวาดว่าในข้นศาซับตัชีวิตผู้ใดมันถึงพระโสดาวันนั่งเศราเองมันจะว่าอย่างไรั่ พูดได้มันถึงเพราอนาคขาวมิมันเท่าเองมันสีมันบดมันไปอันสีมันของบ่ไปสีวันเถอะค้อยมันกับว่าแขนนะวันเถอะมันเท่าเองมันพูดได้เงพลังงามันออกจากโลกเองมันนะวันเถอะื้อขวดซื้อไม้ไปตีเอามากระได้แม่นหมด